เป็นคํามสอนที่มีหลักเกณฑ์เป็นธรรมมาธุปไตชาวโลกเรียกประชาธิปไตยมันยุ่งกันเรียกใหม่นะเรียกธรรมมาธุปไตยมันจึงมายุ่งกันประชาธุปไตพัตนาชุปไตเป็นเมืองขึ้นของธรรมมาชุปไตยอยู่ในตัวถ้าทําถูกก็เป็นเมืองขึ้น ของธมาธิปไตยถ้าทําให้ถูกก็ต้องเป็นเงินเคลื่อนของธมาธิปไตยอยู่ตามตามเลยถ้าธมาชิปะตะไตยไม่โอนเอียงไปกับอัตราธิปไต่ไม่โอนเอียงไปกับโอกาธิปตะไต่ถ้าค่ายําดิ่งไม่โอนเอียงไปทางไหนถ้าค่ากับระดับหน้าไม่โอนเอียงไปทางไหน Inaudible. ไมโอนเอียงไปทางต่ำไม่โอนเอียงไปทางสูง ด, ดิงก็ไม่โอนเอียงมาทางทิศใต้ทิศเหนือตอนตกตอนออกในทิศทางไหน ตรงเลยเนี่ยธรรมะที no, no no ่ปไตทยที่พวกเราเราเรียกกันว่าประชาธิที่ประยเนี่ยมันก็ดึงกันอยู่เนี่เมื่อประชาชนไปทางผิดมากก็ดึงประทังผิดมากเพราะผู้ดึงประทางผิดมันไม่มากก็ดึงกันอยู่ถ้าไม่ถูกธรรมะที่ปไตยไม่เอาธรรมะที่ปไตยเป็นสารอิรการเป็นสารในลำเอียง อัตตาจะกรายประสานระเบียงเข้าข้าตัวโลกกาวันในรั้ระเียงเข้าข้างโลกถ้าโลกมาทางในหลก็ตอไปทางนั้นถ้าอย่างนั้นมนดแดงมันหลทามไมมันไปเอากรบมัน้นน้ำมดแดงวันก็มากก่บมดแดงึ่งทาไมมันจะเข้ากับมดแวันน้ำทวมดมันก็มากทำไมมันไปเข้ากับมันคาสอนะไรคือเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธศาสานาไปเถอะไปนะวัอ มองเห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้คาสอนไดๆเป็นงานขึ้นของพุทธศาสนาอยู่ในตัวแต่โอ้ห้งมังคโลทักตตียงไร้ตาตางเป็นคำพื้นเป็นเป็นงานขึ้นทางสอนของพุทธศาสนาปีนฝ่ายคำสอนของพุทธศาสนาไปใหนรล้วล่ะกฏหมายก็ตามกฏเหนือก็ตามกฏซักก็ตามกฏพวกก็ตามมดของโลกก็ตามไปเถอะ ถ้าเป็นพระพุขวั อ, อิมล์ถ้าเป็นโยออนมเพราะ อ, อัญเชิญเปนไม่รอดเปนไม่รอด <c oughs> เป็นเวนเป็นไทยกันอยู่ทุ่งหยองยา่านมันก็เพราะว่าไปตามประชาธิปไตยนั่นเองไม่ได้ไปตามธรรมารารมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยเอาทําเป็นอย่ทําในที่นี่เอาทำของพุทธศาสนาเป็นจีทํานอกพุทธศาสนาไปต้องเอามาพูด สิ่งที่ไม่ดีมันน่าดีก็มี้ฆ่าสัตได้บุญมันว่าอย่างนั้นถ้าท่องอิมมันได้บุญมันก็ว่าอย่านั้นถ้าท่องไม่อิ่มมันเป็นบาปมันว่าอย่างนั้นถ้าสับตัวเล็กเมันเป็นบาปเพราะมันกินไม่อิมมันว่าอย่างนั้นถ้าตัวตะโตมันกินอิ่มมันจินเป็นบุญมันพูกทางนั้นเพราะไม่ใช่ถ้าฝาดผูกไม่ยากไม่สบาย ไม่ยากไม่น้ำบตบาหงองดูสิ่งไหนที่ผิดคําสอนของพระธรรมมาพะพุทธเจ้าเราไม่ต้องเอามาเอ่อยแล้วเรามาไปด้วยรักที่อย่างนั้นรักที่อย่างนี้นลัที่อย่างนั้นดีลัที่อย่างนี้ดีรักที่พระมมาพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นเราก็จะเปิดหูฟังลัที่มันดีมากลักที่มันดีมากเราก็จะเปิดหูอย่างนี้นแต่มันเสียมยาแล้วยากล้วก็เออไปที่เียขี้เสีย <c oughs> สอนของพุทธศาสนารวบหมดแน่รวบอยู่ในกํามือหมดแน่เป็นเหล็กดึงดูดแน่รวบหมดแน่เล่มก้างของพุทธศาสนาก็ยังเล่มไม่ถูกครับที่ไหนของพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเ อ, อ้ามาสิไม่มีนี้ที่ไหนไม่มีเรื่องจัลวดเรื่องดาวเทียมของพุทธศาสนาสอนไหม จะเี่ยเป็นทุขเป็น น, นัตาแล้วจะมาสอนอะไรอีกมันขึ้นไปดูดวงพระจันทร์บดนีมันลงมาตายในมนุษย์โลกใช่ไหมนะทาไมมันไปที่ไม่ไม่ไมัน ไ, ไ, ไปมา ไ, ไปที่เชินตะกรที่ดวงพระจันทร์นะโลกพระจันทร์ลกพระจันทร์อยู่ใต้อำนาจอันนีจังใช่ไหมนะหลังคาโลกตั้งวงอยู่ใต้อำนาจอันนีจังใช่ไหมนะเาะาขาจะสาหัสโลกว่ดแน้ๆนะ พระพุทธ เ, เ, เจ้ามเมตต า, าอย่างนั้นอย่างนี้อขนมปังก้อนเดียวให้อิมคนได้ละลายก็ขนมปัง พ, ง พ, ง พ, งพงระาบรมศาสราษฎมาให้เบียเดเยียนกันะนะแอนถ้ามีอย่างอายตบาให้ยังย<ม>กลัวตบะไม่ใช่ขนมปังหรือใครเอาไปกินก็นหมดนหมดถูกไห ม, ม การละช่วทําดีใครละเวลาไหนก็ไม่หมดเธอละชั่วยทําดีก่อนเราแล้วมันจะหมดกว่าเราจะไปละเนอะก็ไม่ได้ว่านั่นเธอทาดีหมดแล้วเวลาเราทําเราจะไปเคาะกับเธอละเพราะเธอเอาความดีมาแล้วกว่ามาแล้วพระพุทธสารสนามานาไม่ได้พูดอย่างนั้นนั่นมันหมดไปเป็นมันเป็นที่ไหนความดีนั่นชั่วเของมันได้เป็นใครทําก็ได้อยู่ทุกหน ทรัพอะไรจะดีทางทรัพพุทธศาสนาไม่มีหรอกทรัพพุทธศาสนาก็มอบใส่หัวใจของมนุษย์แล้วแล้วมนุษย์ก็ต้องเาือกทรั์ทั้งหลายแล้วเอาไว้มันก็ไม่หนักแล้วความดีอะไรที่ใจมันหนักไหมไม่หนักมันหนักคือทุกวันนี้หนักความชั่วทิเนเรื่องถึงสองชั่วเวลาไหนก็เดือดร้อนถูกไหมัน้อรื่องถึงความดีของเราที่ทำมาเห็นมันเดือดร้อนมันมันหนักที่ไหนน่ย ทีนั่นค่าประัทั่วเป็นี้ค่าประทางทั่วมาดึกดูดีหากใจทีนั่นค่าพอจะทาประโยชน์ได้เป็ี้ค่าประานระโยน์ดในส่วนนในส่วนเพลนบาเเบาหยุเลยครับวามั่วคนทั่วทําหน้ามั่วคนดีทำ้ากคนดีคนดีทำง้ายคนดีคนชั่วทำยายมันตรงกันเงี้ยพูดเงางันง่าย แกสนวนอกม้มาแรนวันปัญหายากอเดียวกันเดี๋ยนี้ชาวโรกไปไปรอดละเดี๋ยนี่ปล่อให้ชาวโลกไปดูดูไปดูดูไปดููผู้ที่ซื่อมม่รู้ในบาทไปไปดูดูไปดไปูสีไปดูสีจะไปได้กี่ปีจะไปได้กี่สัปดาหสักจะได้กี่ําปีไปไม่ไหมไปไม่ได้ยับกรโคยับกระหาเหมือนคนตงหน้า กว่านั่นกวานี้น่นเพราะพุทธศา ส, สนานะต้องคอยอ่ะก็เอาใจไหนได้ก็ไดเ้เรื่องใช้ในพระพุทธศาสนาเรื 9, ่องใช้คาสอนพระพุทธเจ้าเราเขไม่เห็นสักทีเราเรื่องใช้คาสอนขององค์ธรรมมันมีเหตุที่ถอนถอนทาอีกําปูลให้ก่อนหน้าเรื่องใช้เหมื อ, น, อ น, นกันเชียมอีกเจียมปูนซะแน่ก่อนหน้าขานน้าไหถ้าตัวของทอ่า น, นเองมันจะไปกว่านี้ รูปของศาสนาอื่นไม่อยู่ที่ไหนราคาไม่พอหมื่นบาทไหมเทน่าของศาสนาอื่นมีราคากี่ล้านบาทอา๋อตำนานของศาสนาอื่นมีราคากี่ล้านบาทอา๋อไม่เข้าไม่เข้าศาสนาพุทธเลย รับรับหนึ่งก็มีหลายราคาล้านบาทวันหนึ่งวันหนึ่งพระพุทธศาสนาเรียกคนเรียกพระเรื่องเนรเรียกแม่เขาไม่ทีจะมัดกี่ล้านบาทเอ้าที่เอาโลกพระพุทธศาสนาไปอ้างซื้อสินค้าของเอาโลกพระพุทธศาสนาไปอ้างพูกไปให้พระดอกนะซื้อไปทำบุญอัศโมอัศโมนาด้วยพวกไปพวพูกไปละอายแต่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกซื้อไปทำบุญหรือซื้อไปทําอะไรก็ตามขายชาวโลกยังไงก็ต้องขายอย่างนั้น น้องูมิทหาไปบอกอย่าไปอ๋ปอพระพุทธศา ส, สนาไปอ้างเขาเบียเดเบียนเขาท่านพูดอย่างนั้นถ้าจินคนไหนมันตันี้แล้วจึงเอาพระพุทธศา ส, สนาไปอ้างท่าน พ, พูดอย่างนั้นถ้าเขามีศรัทธาอยู่แล้วอย่าไปเอาอ้างท่านพูอย่างนั้นนี่พูดสำหรับโยมท่านห้ามเลยท่ า, าหนห้ามให้ท่านห้ามม่ให้ไปซื้ อ, อของในในตลาดเลยครับประมาณนี้แหละ้องกันนะ่ะ เมื่อราคะโทสะโมหะหาประมาณไม่ได้สิ่งที่พ้นไปจากราคะโทสะโมหะก็หาประมาณไม่ได้นะไปเอาตอนนี้พอยลู่จะุกัมนั้ำนแล้วน่ั่าจะต้องระโเผู้นั้นม่ีเพิอากศนะเนั้นคิดนังใจเอาไว้นีกระเพิ่มนี่ว่าง่อยนเอาไว้นใจกระเพิ่งใจจ้ว่างอเอาบาปเอาไว้นี่ดาปไป้อหนึ่ว่าอนเอาบุญเอาไว้นี่บุญถึก้นนึง เพชรบุญอะไรนี่บุญตายผลยังนเพชรบาบุญใบาตายผลยนี่วางเลยก่ันนั่นเมื่อไรผลอยู่ฝาบาทเลนี่ยังกางเชื่อไในใครผก็กนิดจะวางเลยก่อนนั่นนัๆนนั่นนั่นนั่น้ก็ชื่อพีเพอคนแล้วก็ชืี่พี่จ้าหกนางมัดมื่มือเห็นบอก ต้องเป็นโลกสัมนังมัดหนึ่งเหมนนักงนกกตน็อตน็อตน็ที่เขาเสร็จแล้เาพลัดขำหน่เขาบอกว่ามือนี่ยเงินให้เราเกาเสียเคล้าไเรื่อยเราคุ้ยไปเฉยแล้วถืออาไรได้แล้วจังทั้มาสั่งจังแสนจังลานจังโกดจัคืี๋ีวสะเรียเหืตอเหมือนน็เตนอตน็นน็อตเจียวเหีมึงขับโล่หองใจเลยสักว่า มันก็หาง่ายเล้ในหลวงปถ้ามาสั่งถ้า ป, า ป, ปันบอกปวดห็นกระหอกแงวอกไร้ก็เกาขม่าเขาไปจมหย่หยผู้ข่าวเทียดผู้ข่าอวอะไรไพ่วาดไปเจเ้าหาเทียดเยอมาหาผู้คาวผู้ข่าวกระวอสิว่าไงกัผู้ค้าไรกระเทาะว่าันดผู้ใดเทียดเยอมายันชน่ได้บอก เดี๋ยวมึยังคนดีกูว่าไรื่อยๆเลยผู้ข่าวปรเด็จของของขันใดข้าแขกผู้ขาวเออผู้ข่าวปฏิวัติเอามากั่งนำผู้ขาผู้ขาวกระเพื่อเอ๊ะข้างมาข้องกับเรื่อของมูสูหรอพะอะไรย่งมอะไรที่ฟังที่ตาข้างกับที่ตาเทพคือกันไนอยว่าไหมครับผมเป็นลุกกูนี่ลุงกูพอมีทำไมห็นเลย มากใกล้ๆไข่ักบาดแน้ท่านพ่อไอยจะไส้ท่านว่าอย่างไรดิสติสตาบมาท่านเปิดปากช่วยเราสันดตสุดสันดุอยมางไรี home, ิสติสตาบมาบางรู้ค่ะเสีข่ยักไส้่านพูดว่แล้วว่จะก็อยู่ทางไหนสินงทางหหอบมือนึงว่าเห็นผู้ใดมากายมายังท่านคือจะใส้ไข่ผมว่าจะไส้ั่านว่าอย่างไรสติสตามาไก่ไข่จักหน่อยแน่ไข่ชักไส้ท่านเปิว่ากโอ้โหจะพิสูจน์ลายเปิดน้องนี่คือการละมือสติสตาม้าสติสตาเกิ ท the ี่ต่างหมก็ได้วู่นี่คือขนาดที่ตามาเขาตดที่ตาให้ยอะัน่า่เอาให้ใครพูดเล่นนะใรจบอกนะายคนบอกม่รูว่ยัเข้ามาหน้าขาบอกว่าเขาไม่รู้สอะไรเขาบอก พระคือส right. ันโยมคือสังปฏิวัติว่าเพ่นก็หายโอกาสตัวจะเบื่อนี่สปนับนำนับดูไปตะกกถึงคบล้มจะเป็นตะเบื่อปฏิวัิว่าแล้วเพื่อนพาใจแล้วบ่อใจาไม่ใชตัวนับนันับนับนัูกกบ้เ็่อปวัดิว่าแ้อีกอใแล้ว่ราไม่วัันปะกจเนตะบือฏิว่าที่สนอคือผู้แท่นพูหนึ่งนะผมมาผมไม่มีจิตจิตจะบอกยังไงผมอกได้ระเบ้อเสียผู้แท่นคนนึงลูกเดือดตัวเดือล็อกฮะว่ามันท ํารวจประจำกอง้ชิใกรรใกรมไงมันมว่าให้มัดไปทง้างไรกว่าให้มด ก, กม็งงนก น, นีน้นะพาม่เเเมะเกิด น, น้ำหนกตไม่กรมตัว ม, กมเกิด น, น้ำฝน คนเคสั training, the the sauna, the earth, ่งมันนี่น้ำฝนตกมาเกิดน้ำฝนตกเคยสัมันนี่น้ำฝนตกมาเกิดน้ำฝนตกมีกับน้ำฝนนี่ที่จะออกอากาศเนนี่เชนเนี่ยนี่แหมเชิญถคุเชิญรถญาติพีคุอยากชวนออกลูกนะโอ๊ยไม่ผิดแต่เพื่ออะไรกันมาทุบเดี๋ยวเรานี้เป็นกล่องทุบเ เนี่ยตหนพอบ้าน่ามือเฮายากพูดให้าพูดแข่งูแข่เนยังไงโลกเสิร์โลดเขาบวชสังเกตแข่งยังไงโลกแขงแข่งแข่ตายเลยกันแขงเกิแข่งแข่งแข่งแข่งตายเลยทุกแข่งินแขงทีทีทุกันแทงกินอะทีง่กันว่านนอง่มันคัดไปอง ยังเกิดกระแสตายสุดหลังยังได้แฉ่เสียสังได้ของขวานนอกอมีเข้าสมมติว่าได้ของข่นอกแต่ย่างเตะพุ่ง่ะมันเกิดเสียย่างเพุสดัเกิดย่างเะพุ่งมันแก้กับแก้กตายย่างพุ่งนี่สุดงอั้นาคางขารแต่ยาวนิเดยวแค็กหน่อย เอวนอยางนี้ไม่อขึ้นเอวนอนเอากินเอวยาเอวห้องผ้าเอว อ, อ, อาบน้ำอาบสมือสมือถ้ากระทั่งกระทั่งค่าอาบใก ล, กะะกลนน้กันก็ได้ฝากกรางเลือสมือสมือจะปร่นอะไรอนมีกิ้ยืนเพ่งเพ่ง่งนท่น ห่มันข้าหน้าเป็นร้อนพ่งปรเพ่งนี่หะเป็นนี่นี่าิาปอุชิพาปมทำไมเยอกันขึ้นขับวงเพลงขึ้นเพ่งข้าหน้าเป็นร้อ่าปิดเป็นไอนย้าหน้ากันเพาหน้าคำว่าหยาดอกขนายกลูกสูตระ้องนะโดมเบิ้ง แล้วูมลวกูหนนบ้านอมาเนออกเกบก็เนี่ยเอาเกิบเนนเพ้งนเกิบเ็เกิบหนังฮะเนี่เกืบเป็นน้เกอบหนังมันไปเย็บถึงน้ำแล้วมันเป็นเหรยญหนหมาเป็นรักข้าป๋อฮะเนี้ขวา้านเพงหมดเื้อมาเลยแบบแรนั่หมาฮะเนี่เนนเพ่มันยังเพ้งไหมท่าน มาราคาเกือบคน้อย้วท่นหวยผมไม่นเลจัตติกีมันนี้เด้วยแล้่านอาจารย์เจ้าตัวแ่งแล้วท่าเอาดอกไม้ไปทำวัดมันแล้วท่นโอ้ยอาจารย์เ้อย uh MM ่าหาดังเสี่ยหวยไปสูงๆเราใครว่าแลเพื่อนจัตติกีมันอาจารย์เจ้าตัวหันแล้วท่นทีเคสที่าบออาจารย์เ้อยุ่นเสีอาหว้วิบวับวิบเถาะเนาะสี่ยยไสูงๆเขาว่าท่นได้แล้วท่านจัตติันอาจารย์เจ้าตัวแล้วท่นหลปู่หวันั่น ไปวียนทาบาไปเวียาบาทขับไปน้าบาตมันสลนบานปลาเม็ดฟลาดแอร์ไปจะกิไม่ปลาเม็ดปลามดแอร์จะเกี่ยวดูนอกวัดดูนอกวัดมามีลาผักนั่นเนืแล้วนอันเาเนยอาบนเปลสคนณอาบน้ำเป็นอึดบุญได้ไหมท่นแม่าังว่า เจ้าเขาต้องการมันพักอันเนื้นี่ยมันถือว่าทางตาเจ้าเจ้าถือว่ตาบอดเลยถ้าก่าพระไตรปัตย์จากเสียงอะไบุญกุไปคืออะบุญอนนี่เราคนนึงาู้นหันบักพุงนัดรดนิ้วหันี่ายากด้วยฮันมีเนื้อเนื้อเยพร่นม์บักพุงซุมนี่มันสีรวดถ้าปากเข่าได้เลยพรนัตรเสียคอได้เลย จ้อาบุนก็เปนี่ยมาสั่งจเอาบุปเ ป, น, น, จเ ป, เปนจะกบุญานมาสัา่งพราะนุดทางพระผักไข้พระผักไข้อันนึพรผกไค่พ อ, พก อ, พ อ, พกอกมกันสงสัยว่ า, าใหลองสสัยวารีินสเงี้ะ จังว่าพอเงินกับบักแดงเงินก็เอาไปให้พระพวยอะไรอย่างนยสิอั น, นั้นไปสวันนี้นท่านจะไงถือคอนไปโบว์สิถือขอนพุ้มเอาโบว์สิเพราะว่วาบัดาไปมรรคหกเห็นเพื่อถือขอนแล้วคือไปดีเถอะวะสะินี่เอาเป็นคันี่ใดบัดอยากทําดีเถอะเพื่คุ้มไปเบ่เพ่คุ้มกุ้ง ข, งขาเนาะบ่บัทัําส่วนเพืพดดพ่อเพื่ออะไกุ้มเนาะสิเข้าไปดีเถอะ ตีนั่งข้ามปัดจกักนลองปู่มันว่าตีตีเห็นยังๆงันยมอลัางมันจงจักตัวันไปสวัสดีภาดให้ีไปสัน บ, บ่อสันตีเ อ, อิ้นวอสันบัดไปมอญกก็ไม่เห็นใครตีความตีก่อนขึ้นไปดีแถวสันน่ะสางสราเลี้ยวว่าสลองว่าพระแม่คุยนัน จังวะเาเฮ็ดบาปพวกเห็นเสร็ล้อม te ัมันเป็นบาปมันสามาบาปนะัเข้ารักตาขึ้นว่าด้กนีใ้มาเสร็จล้อมันมันเื่อมันสมาเมือนนะครับถ้ามื่อนตาเขาพูดใชมาสรล้อมันมันเห็นูมันสามาเห็นนครับคือมักสรล้อแถวครับทางอุบากีขาต้มขนพราเตื่อสันบอกนะนะ้งุมนชราอะบกสจล้อเอาก้นสลองมันเราเรื่องบนเทวี มันมันมันบุญเาเย็บุญพิเศษมาสั่งมาขาถงว่าจะก้วยเลาสั่งหรือว่เชื่อเสียงเหลือเสียงเริงาสั่งมันเขา้เขาตวงสมรภูมิมาสั่งบุญพิเศษเลยสเพงแปว่าม่หมัเอาเผาเดฉันโดนตังมดหมือนแต่วงมาจากไหนม่งผูันนี้ได้ไอ้วง ฟังยงมัดเหมือนเลยพวไว้ทีไหนคดว่มูจะได้่พรเวทชั้นนอนหาท่าห น, นึหน่งก็รักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาพวกนันเขาคิดวกฏขันธ์ผู้ใดไม่ท่านศีลไม่ภาวนาพวกน้นก็เอาบุญเผาเวทอยู่บ่มีมาหนขึ้นพุองคนะบุญปันักี้่านพระอาาก็บ่วจะปันขกักีแล้วขน้นึงก็เอาบุญด้วยสมมือได้สบายเลยท่านพองครับ ตักบาตรสวรกับพระสงเสริมเนี่ยร้องผู้มันจังว่าเขาตักบาตรใ่สมัยนี้เขาตักบาตไปมอหกบอกว่าแซมหรือว่าผมสันนี่พระสงเสริมนรผู้มันเสรีขอน้ำม่อนนี่ยสท่ารวดโอ้ยคิดไงว่าฉันมาพระถ้ำพระสงฆ์คือว่ารอยผู้เท่ามัดน้ามาย่อมมันต้นไม้สั่นพระเท่าอ่ะ หลปบใจพระถรพระพุธธรรมพระสงฆ์มาสั่งเราทีมากหัวหน้าคณะพระเถรพระเนี่ยบอกเอ้ยว่าสั <t <t <t <t ่งปาคิดใจถึงพ่ะพุทธรรมพระสงฆ์แม้นี่ยนายหน้านมันาั่บง่ายๆหลวงปู่้านแจ้งก็คืีเราจมมาเรก็เกเอาระสนไปแมำหลวงปหาเถรอยู่ห้าไปบุรีรัมยาเหตุปัญหเการณ์ารวิทยพันน่ะมันคนมาหาคนต่งกครองคนผู้ใดมาขอน้ามันพด สากันคุ้ยเรยไปโจรเนร้าเกิดม่งเขาเปิดตัวกระปิดน้หมันอยู่แปดปีตัวรปิษน้ำมันเนย้อโบเห็ดเขามาต่อว่าะปลอบพิกพริบขอบเข่าก็แม่งแล้วเขาแม่งูจานนะนผีมันด่าท่านผีปลอกเขาเขานอยพ่อจันทร์หอมพริบปลอบแบเขาวัดบ้าของวัดไปเขาบ้านเขนอย ขันทันเทีนน้ำม่นระพระบงการขันทันม่อนตัวเขเลยแท็กไทยแท็กไทยย้อยุคคลิกเข้าเราปะคนกำลังถูกป่าพระนำม่นี่ไ เศร้าระบาดว่าแบหนูทำไได้เวราะันขวาข่าวยาเพิ่งมแต่้าได้อยู่ว่า่ผู้แม่ผู้ว่าอาจารย์พราะวันขข่าขยาดเขนจะไปเอะไรนั้นจไปยั้งอะไรนั่าเขาได้องอันยานด้วยเป็นมยาวัข like <ida> <for> <murder> like ่าวขยาเขาจะไยัอไ so ่เมื่อวันขวัข่าขยาาุมื่อยังอะไรฉันเบเบกเยนหาดเมื่อไรนิยงห้องกเพาะทหาราดิซ่าเสน่นิซาใส่ขวบเมียขึ้นนิสเพื่อทหา วิซาเชนีวิซาห้ ง, องกอดวิซาท่านหน้าท่านซับนู้กัดผาวิซาเบืงไ่ทีไลมือนะครับไปยุดไปพักยุดตะบนร้นซักเล็กหน่อยต้องเรียนมากต้ต่อต้อตมาดูแลดูแลเมืองให้ให้หนูสิต้อต่อต้องตอนดูลเมืองให้หนูเด็กหน่อยก็ได้ เออแค่นี้นก็แบมือออกมาแบมันออกมาเออลายมือเส้นนี้น่ต้องดูหนังสือให้มากๆเดี๋ยวก็สอบได้ล <c oughs> ายมือเส้นนี้เป็นลายแก่ลายเจ็บล า, า, ายตายลายเส้นนี้ทาบาป ก, ก็ต้องเป็นบาปทําบุญก็ต้องเป็นบุญทําดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนะเออลายมือเส้นนี้ ลายมือเช้นนี่อยา่าไปไปเกียรต่าเวลาบรรดาใช่ให้ไปง่ายๆอย่าไปเถียงววลาบรรดากอย่าไปเป็นคนดือ้อเป็นคนหัวรั่นหัวแข็งมันเรียนต้องพึงยากลามือเช่นนี้เออหลวงพ่อดูอะไรมือแปลกเ พ, พื่อนหลวงพ่อพูดตนกันูจหลวงพ่อพูดยังแล้ว่าหลวงพ่อพูดถูกก็ไปให้คะแนนแต่หลวงพ่อพูดผิด ก็จะไม่รบแต่หน้าที่ตาเด็กหนอนันนี้เท่านึงไบรับการตรวจว่าลูกหลานเออนะคะหาไฟมาแล้วปู่จะทับปูกแ้าไห้เท่านึงท่ับเชี่ยวกันเดี๋ยว่าบนเท่านั้นคนจะทางานจะพร้อมเท่านั้นคนจะใช้สีตัวมาเียแต่นั้นจะน้อยกว่ อ๋อไฟมันผูกแขนา่งไเขาเลยเลนั่งเท่านั้นตกนบ่าวซัถูกเฮียเชียร์ล็อกไฟผูกแขนเย็ดผูกแขนผูกคิดผูกใจถึงม่พ้ามาสอเข้ไปเติมรถตกไปอยู่แต่เติมกีบเตมใจเขาบปไปนั่งแต่นั่งให้อยู่นั่งรถขับไปก็ดีแต่เติมรถแล้วกันมวางกะ ขับรดีเจยบไปแล้วรอบบางทองเจ็บจิตเจยบใจห้องเนี่ยคนทุกข์หน้าตาท้องสามสร้องจิตสร้อยใจห้อยเนี่ยคนทุกข์น้ตาท้องสามสงเชจิตใจห้องห้อยคนทุกข์หน้าตาท้องสามเตียนจิตใจห้องห้อมันเพื่อนย่ในโลก อนุโมทนาคิดใจห้องๆที่มันยินดีเนียภายในภาตที่มันยินดีในการออกโรกอนุโมทนาคิดใจห้องๆจิตเยียนจิดใจห้องอันคือมันเพิ่มในวทฏสงสารมันแข่งดีแข่งตัวกันยู่จับลุ่มจับจับพักจับพวกกันยุ่นกูดีกั้งแข่งเมื่อดีทังเตะแช่งดีแช่งเดนกันยุ่นห้ามเบรกว่ะจิดเยียนมัน ตัว ข, ane, ข, ข, ข, ขออ้าวหน้ามะเป็ดน็อกตัวตัวหงละอานียาช้าทั้งสามเดี๋ยวขึ้นหลังมึงก็เพ่อยากม้วนซักเสี้ยคิดิดขึ้นจะไปทั้งนาเขาอยากม้วนซักเี้ิดินเดี๋ยวปัจจุบันพขอแห้ง่ปัจจุบันเป็นพ่ายตัวข้าวหน้ามะเป็นตัวขึ้นมูมูเป็นพ้าหน้าเป็ดตัวข้าหน้ามะเป็นตัวขงยินดีนะท่าออกโลกขาวหน้ามะเด ผู้คนพ่อหน้าเปล่นปราศาสนาพระศิยเมตใจไอ้ข้าพเจ้าเเกิดความพระศิยเมตใจเพรายังใคจะพานะผู้คนพ่้าเี่นพ่อน้าเปนหวงพ่น้าเ่ยนพ่อหน้าเปล่นวงอนาเปลนหลวง่อห้าเปล่ยนหลวงพ่อห้าเปี่ยนน้าเปลีนหล่น้ป่นหลวอ้เยนว่อหนาเี่ยงพ่อน้าเี่ยหล่นา่ยนงพ้าเป่ยนลว้าลี่นวพ้าเปยห่อน้าลีนวพน้าี่งหน้าเปลี่นหหเี่น ขวครับมู่นรู้ขนรูาขมัูแตี้ว่าเรว่าล้เไม่ยากตกครับเข้ายาทนใจที่เข้าครับเมื่อวนนครับานีตายข้าวนามลบนวดนวีตายข้าแย พ่อดีตายขาพมากแต่ข้าพ่อหน้าไปเป็นชกเป็นชกกันบอกก็มือบอกไรอะไรแต่ข้าไปพ่อหน้าเอาเดียวชีงห้องบอกมือบอกไรทีนึงทหารทหารด้วยครัปัจจุบันทำยานอย่างพวกหาร บอกด้ยหาโรคโรงงานหาโรคในปัจจุบันโรงงานหาโรคไงไงน้ำหูมอย่างที่กำลังยืนกสร้างเดินกัตามนอนก็ตามระลึกได้ย่ามไรก็ออกยามนั่นจะไปหายามอยาว์ไรลึกไรลึกได้ยามไนก็ต้องออกย่ามนั่นที่ทำทางทำทางหรือว่าทำทางทางมัเป็นปัญหาเลยเฮ้อบ้าฮาว่าทำสัวเฮานึกไปทางบาปโดยมันทำทางทำทาง าหาหนึกไปทางบนทัท้งทาวทับท่างให้ยังกรดอกว่าแทบมันก็พอ ท, ท, ท่านกันทีอาทั้งทาทางช่างก็นึกได้อยู่นึกถึงภาวนาเรียนไหวแต่เข้า่ปเลยลึกถึงนึกลลลถึงทำาะไ้ก็ได้อยู่ มานุกันเทนี้เนาะเออสามหนังสือใดวตัวเนาะไดๆว่านังสือผู้ว่าท่านใดก็มีพูว่าท่านใดก็มีกระเป๋าผูว่าท่านใดก็มีกระเป๋าเอาให้หนัง้ือพออุ่นยังหรือเ่าพอขุดก็นยังรเออพอขุดก็ยัง ผู้ขายรอบเอากิดเอาใจเป็นล้มูอดล้มกูดเป็นววมานเป็นแทรพัทเนี่ยแท่พันธิเหติถิถ้มพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ขาหมอกหมดเนี่ยวาาังสันว่าผู้ข่าไปใช้ผู้ขาเขออไปน้าพูกขามาผกเขาเอ า, า, า, ามาน้ำพกูกขาโมลุบโมจ่มได้ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลส่วนวเสดิศผกข่าเสด่รงไปก็เป็นเรื่องหนึ่งวา ส่วนประพุทธธรรมประสงค์องะกาศว่าลองไปให้อยู่ใน ห, หนัวใจาอกว่าฉันมีูดถามว่าอขอบอกก่อนถวายชียวิตต่อพระพุทธรรมประสงค์ทุกเมือเพื่อผนทุกนวัตองสารโดยดวนในปัจจุบันิศาสตร์ไม่ยอมมาเกิดแก้แคบตาย แล้วลึกใด้เพิ่มลึไดกว่าีอธิษฐานไหว น, น่นนี่แล้วลึใได้ามรลึกได้กว่าีเขาหมอกกายถวาชีวิตแล้วิดใจตอบว่าพระพุทธธรรมประสองค์อยู่ทุกเมืเ่อไม่มีประวัตเพราะคนทุกข์ในวา้าต้องสานโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เกิดปัจจุบนนนันนจิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่รุดพ้นว่าเขปองว่าเลสีข้าพเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงกทุกเมื่อไ่มีประมาณเขาขาเลย ค่านนี่โมโตเพราถ้่านได้กินเข่าให้เป็นนโมโตนั้นเป็ น, น, โมโปนวม่ทราบทันนี่ว่ารักเสออืสอ้อยูเติ้ตรงสนอครับดงดางบ้านเลยครับนั่นละข้อผ้าหวาดมากเลยเจ็บทำทาเรนรักมากันาดเจ๊ดียางย่างจากมาหน้ากระเข่ามานนอนมาทักคำพือ้อ พระเราเนั่ยพระธมโออกจากวัดพระโคผมว่าห่อหลวง่มาอุ่นดงนี่นี่ผักบ๊วย่างนี้อยู่ถ้ากรรมานยัรรนพระวัดตาของตัวี่องเดียวนู่องเดียววัดหรวงพ่อรวยนั่นน่ะอยู่ทางกันค่ะอือ วัดลงปูรุยเห็นแ้บาต้องเพื่อเข้าไม่บาทพอสองห่อยลวข้าวบ่อยเั้นถึงกเนาะ ปีเข้าไปนีปีเข้า ย, ยูเยนี่ยเจ็บทิยรังคาดิตอนนี้แยกเป็สองหมู่ บ, บ้านเลยแยกของช้อมอบานน่ะกดเกาเก่าเขา้เขาไปวัดแถวนอกหมอกระเสียมยังมอหมอกระเสีมพานะไม่นึ่งให้แม่ขาวซะ ไม่นึงให้พระสักเออผ่านาไม่เนึงให้พระซาไม่เนึง่งหายแม่ขาวสักต่อไปนี่ก็ ใช้สูภะหิจจ น, น, าานจะขวดเนี่ยพระเทม่านําน่ยเอาอไปเปิดสูภะที่านํามันจะขวดเนี่ยเอาเราหปพุชเจ้ารือบุษาพุชเจ้นนาอ๋อฮะโอความหลงไปได้กอพระโูตามเป็นจริงไปทีละตอนนาตอนจนถึงที่สุดทุกข์ของความหลงความหลงมีเท่าไร จะเอาสติปัญญาทำลายหมดไม่ให้มาเป็นแ้าหัวใจชนะกันก็ชนะอยู่ที่พระนครหลวงใจแพ้ก็แพ้กันอยู่ที่พระนครหลวงใจประจันบานกันอยู่นี่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีวันยุดหย่อนผ่อนผันเว้นไว้แต่รับไปเสียื่นขึ้นมาก็สู้รับกัน ว่จะไปซื้อลูกปืนที่ไหนจสติปัญญาก็าไม่ต้องซื้อเกิดขึ้นที่กรับใจพระเคยปฏิบัติมาแล้วศีลก็ลงอยู่ที่ท่ามกลางอกสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่กลามกลางอกปัญญาก็รับรู้อยู่ที่นี่รวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญารวมกองพลทั้งสามกองมาอยู่ในที่นี้แล้วกองพลกิเลสมันจะมาตั้งอยู่ที่ไหนนั่น กองพลโล่กองกองพลกองพลโกรดกองพลหลวงมันก็ตั้งกันไม่ได้นี่เราปล่อยให้กองพลโล่กองพลโกรธกองพลหลวงมาตั้งที่เมืองใจแลด้เลยชิ้นทำก็เข้ามายากเราไปให้มันตั้งได้ในกองพลตั้งที่รอบหัวใจเอากองพลของศรีรวัดรธารวัตรศรีรวัดภาวนาวัต วัดเรียงมันออกไปแม่มันเข้ามาเพราะมีเก e ้าอี้อันเดียวปล่อยให้มันมานั่งสักเราพุทธทรรมสง์ก็ไม่มีที่นั่งที่นี่เก้าอี้ก็คือหัวใจจิเลตมันมาเป็นเมืองรอบอยู่ที่เมืองไกลพุทธธรรมสง์ก็ต้องอยู่ที่รอบเมืองไกลหรือมอบให้ขี่รถเยียวรถเหยียบยำ่ำโถน้ำลายคลายน้ำมูกใสยอยู่ใน หัวใจอยู่ทังวัาไม่มีประมาณเมื่อหัวใจมีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่แล้วกิตเดชมันก็ละอายมันไ ม, ม่กล้าเข้ามามากความหลงใดใๆก็เหมือนกันมันก็ละอายเพราะมีพุทธธรรมสง์อยู่ที่หัวใจเพราะมีปฏิบัติอยู่ที่หัวใจมีสติปัญญายอยู่ที่รอบเมืองใจตามสถิติกำลังของตนตรงต้นสมาธิใดใดก็ต้องตั้งอยู่บนหัวใจ ปัญญาช่้นไหนๆเขาตั้งอยู่บนหัวใจถ้าเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนานอน้อมลงมาในหัวใจโอปัญญโนกน้อมเข้ามาสู่ใจนี่เองดับเพลินก็ดับเพลินอยู่ที่เมืองใจเพราะใจเป็นผู้พาเพลินดับเพลินในกองทุกข์ในวัฏสงสารแต่ว่าเพลินในธรรมะไม่ได้ดับดอก มันเป็นอาวุธอีกเด้วยเพื่อในทางธรรมของพระพุทธสมาธิมุตธเจ้าไม่แรงพูแไม่แรงพึ่งไม่เบื่อในเกสรดอกไม้ชั้นใดผู้ยินดีในธรรมก็ไม่เบื่อธรรมอยู่ชั้นนั้นเราว่าในตื่นสายเพราะที่จะมีวิชาต่อสู้กันได้อยู่ ต่อโซ่มันอยู่ทุกวันเลยไปจำวันไปจำคืนไม่ให้มันอยู่สบายนั่งรถนั่งเรือก็ต่อสู้กันไปแต่แต่อย่าไปเข้าสมาธิจนเงียบกริบให้เขาหนียกระเป๋าเนอต้องต้องเอาปัญญาต่อสู้ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปไปในรถในเรือ ก็มีพุทโธปัญญามีพุทโธสติมีพุทโ ธ, ทธปัญญาควบด้วยอย่าเป็นพุทโธไปหลับเคลิบจนไม่รู้ตัวพุทโธอันนั้นธรรมโมอันนั้นสังกูอันนั้นหรือธรรมอันนั้ น, น, น, น, น, น, นเป็นนักรบไม่ใช่นักรบเดี๋ยวก็เข้าล้มเพาะเดี๋ยวเขาเข้าล้มพาะ ทีนี้ข้าศึกยังไม่ชนะเข้าแต่ลุม้มเพาะลูกระเบิดประมาณูลูกตโตมาลงลุม้มเพาะตายเลยนัย่น <c oughs> อละทีนี้มันเป็นคนเก่าแล้วไม่ต้องพูดมากหรอก <c oughs> แกปฏิวัติมาแล้วปเป็นชุกปะชุกนะเออต่อประทางละเอ็ดใช่ไหม แต่ปขึ้นรถควดอนตาลใช่ไหมไไขึ้นรถอ๋อนี่ไงโซอะไคอะมีกิฟตละังกระพาะ ก, กันท่ำนะฮะอะไรไ่แล้วซักอ้เอาบังสกุนรกระดายนางเลย บางกะกุลกองหลกก็นอะไรล็อกู้ทีอธิษฐานเอาหรอกเนี่ยภาชนะของฝวกหลหลอกออกขึ้นช่ไหล็อกู้ที่อธิษฐานเอาหอกล้วกู้ที่ให้พรนะเนี่ยบ่บ่ต้องเข่นกอะไรเออเอาไปหอาของของไฟ้องมันมันจะเข่าดอกของของไฟของมันมันเข่าขึ้งว่างขึ้งควา โมเข็นก็เพราะอย่า ง, งอุปมาคือหาแล้วนะรบปูป่วยปับสบายะเนี่ยรบพุทธิอธิษฐานลบพุทธิอธิษฐานเอาดอกอะไรอิมานิสับ ป, ปิวารานิ สาธาธนรนานี้ปฏิคัรธะตุรับเพื่อในวัดนี่ไม่รับเพื่อเฉพาะตนเองอยะท า, าวาริวหาปราปริโพเหนทิสะคลังเอวเมวิโพโตจินังเปตังงุปกะปิอิจิตังมจิตังตงุมหังคิปะเมวะสเมจโตสัพเอปูเรนตุสังกะปาจันโดปะระโสยะทามิชโชติระโสยะทา ญาพีตโยวัจนัพปุโคสุภประโยชน์ปโรหินัตเทปวตตวนตายุสกีตีคาโยโคพระอภิวาตนาสีทิสานิจังมุตาประชาชนตาโรธรรมาวัันติอิวันูสุขะตระระ ถ้าไม่ทำวัดมีความไม่ถ้าไม่ทาวัดก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าไม่มีพยาบาลวิตกไม่ทิ้งสาววิตกก็ไม่เบียดเบียนไม่มีการจองเวนจองใครจองจองใครก็ใครมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทําทําไมเดี๋ยวเพื่อรักษาธรรมเนียมเขางว่าติศาสตร์นะว่าเช่นนางพิมพาเวลาพระบรมศานา เพราะกาดเท่าโคลนาเข้าสู่อนุภ า, าไปชไหมครทอันเก้าอันใหญ่จงจงพระโรุณาเถิดชาติที่เป็นพรกเวสสันดชาติที่เป็นเนียแพะไปกินหนา้าขุนไปกวนหน้าขุนก่อนช้ามีนืา้าฮะให้ช้ามีไปกินหน้าขุนที่ตนไปกวนก่อนทอดวเก้าอันนั่งก็จงรงพระโกนาเถิดพอดเชื่อ ให้ทานปัญหาชาดีที่ได้ร้องให้หาไปหามาอยู่วันยันงค่ํายังคืนนะั่นก็ดีพราะเรื่องเก่าในกระทรวงข้าปริหาเถอะอย่างนั้นอยานน่างนี่ได้ไปหมดยล้วเวลาเข้าสาาู่อภิบาลทำไมถึงอะไรกันก็ตาคนตาเพืนพระรหัสนี้จะเอาโทษอะไรกันจะเป็นเรื่อนเป็นไทยอะไรกันก็ไม่เป็นเรื่อนเป็นไทยอะไรกันทําไมถึงเวลา ทำไมถึงไปทำวัดก็เพื่อทอดสะพานให้นันรุ่นหลังไม่ถูกเวรถูกันกันีรายไรเหตุที่ทำรักทำวาแต่ว่าบางปีพ่อเขาจะไปปี น, นี้พ่อผมามามหาผมมาหาตาแล้ว ต, ต, ต, ต้นต้นต้นไปออทาน อออเอไม่ใหญ่ขนาดไหนครอกก็เลยมาพูดถ้าว่าเรามีวัดหลายๆายแห่งก็ดุหผู่ดูใหญ่ครับช่างหัวมันเถอะมันเกิดมามันก็มีวัดเดียวเท่านี้จะ ไ, ไหวยังไก็เลยผ่านไปนี่ผ่านสวงดูมากถึงมากคนหนึ่งเขาบน่นเขาขึ้นมา้าโอบายจะดุ สองกมาคนหนึ bra, หน่งเขาขึ้นมาเขาบอกว่าขึ้นมาแล้วคนคนึงคือพักผมจะจับมือเทีนผมจะเอามาถวายเมื่อเห็นคนหนึ่งถวายคนหนึ่งก็เอามาคนหนึ่งก็เอามาคนห น, น, ห น, หนึ่งก็เอามาจะพุทธตะเอมครับผ่านไปมอเห็นไฟฟ้าอย่านี้นครับไฟฟ้านี่ มีคนมาถามครับมีคนมาถามครับผมเขาบอกว่าหลวงปู่จะเอาไฟฟ้าไหมถ้าหลวงปู่ไม่เอาไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะกลางวันแสบๆก็จะตกเหวตายอยู่แล้วหลวงปู่เอ๋ยเอาซักเกิดมาชาตเดียวก็มีวัดยาวเท่านี้หลวงปู่เอาซักเพราะผมมาได้รบควรดอกเอาเรื่องไปเอา เอาเอาหลวงปู่ไม่เป็นคนทำเงนเนาะหลวงปู่ทำการทํงงานอะไรก็ไม่เป็นนี่มุประการเอามนุษย์เมื่อเป็นดางนี้ก่อนนกเขียนว่าในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเก็บกระดูกไว้ชาติละชาเนื้มือชั่วกรับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาสินเรราทถอาหารตระทานไปพระบรมศาสดาเทศน้ำตา เจ็บว่าชาติได้ยอดได้ยอดในระหว่างแต่ก็ฟูซันโธรมา น, นี่ละจนถึงภะษีนเนี่ยไม่ต้อย่าให้อัมทารทานไปชาติได้ยอดเดียวเพมากกว่าสีมหาัหมดนุ่รเมื่อเป็นดังนี้ท่านทั้ทงหลายอย่าได้สงสัยในใจโลกธาตุว่าจะไม่เป็นที่เกิดที่ตายของท่านทั้งหลายท่านทั้ทงหลายอยากไปไหนก็ไปหยิบหลุมของพวกท่านท า, ายนั่นเองเพราะท่านทายไปไหนไปทางหา ไ, ไหนไหก็เอาก้อนเกิดความตายไปด้วย ชาติเป็นเชื่อฌานเอ๋ยชาติเอานเอ๋ยชาติอันนี้เอ๋ยช้าละพัดเอามารวมไว้ก็มากกว่าภูเขาหิมาลายชาติถึงกลับหนึ่งแล้ะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เพิ่มความเชคลื่อนไหวในวัฏสงสารขึ้นโรกในกายทุกวันนี้หนึ่งโรคไซเลือลโรคไซเลืรลทับทินมา 2,502 ท่น า, าขนข้าอาจารย์แวงมาที่นี่กับคุณอินจะมาอีมวันจะผ่าไปตัดแล้วก็อะไรอธิษฐานเนี่ยอแล้วก็เลยไม่ได้ไปท่านก็คงสะกดบ้างนิดๆคุณแวงก็อ่าคุณอิน ก, ก็สะกดบ้างนิดๆ น, นี่คนคนหอ คุณวาอดร่มก็คงจะโกรธว่าเออโกรธปตามเถอะทีหลังใจใจดีเราเพราะเราถือว่าเราตั้งสัตว์ในสิ่งที่ควรตั้งไแล้วคงไม่เหละวิสัยสัตว์บางชนิดสัจจะบางชนิดถ้าตั้งสัตว์ได้ว่าจะกระโดดลงเหวอย่างนี้ก็กวนพลิกรักมันนั่นจะประโยชน์สัตว์อันนี้คงไม่เกี่ยวข้องครับเขามีอไรหรอจัจจะปรเมียขันยนโมสัจังมัยอวตารวาตาสัจจะแปลว่า มึงมาตายก็มีลงไนหนังสือประวัติเลยอะที่หนังสือประวัติทำไมถึงทําเลยเออคุณอินเรายังงอนทําถึงสองปีสมปีแล้วทําสักทําต่อหน้าหลวงปู่มหาทําต่อหน้าหลวงปู่เทศนี่เองไม่ถูงที่ไหนห้ทัมคัดคาดก็พูด อ, อย่างอั้เมื่อลูกปู่มหาและหลวงปู่เทศมทพมาแล้วจะไม่มีพยานดุกก็ดกกัน ก, ก็ยอมยกเพราะคนอินทวายดังในคำนมนั่นเองคงเห็นแล้วใช่ไหมเห็นบ้างแล้วหรือไม่ไม่เห็นเห็นไหมยังไม่เห็นนะยังไม่นะยังไม่เห็นนะออทุกวันนี้กรับชีวิของเราก็ยังเหลืออยู่ ที่อวิณาทีท่านนั่นแหละเรื่องทางนั้นจนวาร า, ายเาี่ยมตัวตายแล้วทุกวันนี้ตายคาภ า, า, า, า, า, า, าวนาไปเกิดที่ไหนไม่ทราบก็บังละไม่ไม่แต่แต่บังหลงถ้าไม่หลงก็จะยอมตายคาภาวนาไปเกิดที่ไหนไม่ทราบละเมื่อพยากรจะยอมตายคาภาวนาไม่ไม้แต่ลืมสติลืมสติแล้วก็นับเหลอนกันละ อ้พอพักก็ไม่มากนอะผมก็ไมีมากเหมือนกันต้นมะละกอเท่าแขนเนี่ยลูกสี่สิบหเดี๋ยวพาหักตายผมพี่ชายสี่พี่ชายในปีนี่ 54, 58าสิปหักปีนี้ละพี่ชายเนี่ยสะหักนะอันนี้มันเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นไว้เสือดำวอดมันทางนี้ เป็นเกเป็นชอยไปแต่นี่ไปจนพุทธวัาทางนี้มันเกือบโลไปทางนี้ก็เกือบโลบ้างไงมันชุนมันเป็นนโค้งอย่างเงี้ยโค้งอ้อมภูเขาอ้นี้มันชุนกลางที่ขึ้นมาเราข้าหอหลังไงข้าหกหลังเป็นชุนกลางเป็นชุนกลางของวงเล็บเนี่มันเป็นวงเล็บอย่างนี้มันลงเล็กไปตามภูเขานี่ย น, น, นี่เป็นชุนกลางที่ขึ้นมาี่ยนี่คุณคิองผมไ ง, ง, ห, าา ง, งหาอวัยฮาอวายจะดุหรืวู่กาอวายจะดุ สองนี่สองนี่สองนสองีสองนี่อขึ้นมาแล้วก็ไปสั่นซาลาเน่ยไสั่นพุกกอลไอะไรอย่างนี้หมอนดอกครับพระองค์แต่ว่าผมไม่เข้าล่าท่านให้ฟังหมอนครับเออหมอนยรกแรกไปแล้วกาลังจะเปิดตุกแกให้ดูมาตรวจฟองฟอตรวจฟองกลับ ชมบารมีรอ๋อไม่เดืมาห า, หาหรอราหารดว่มปาป้ากำนัลาเอามาท่ามาให้เอาไมเท่ามาให้จับไปเท่าสองมือละนี่นี่นี่เลยยืนให้เกินไม่เอาเดินประเพลแล้วเกินไม่ออกแค่ลงประหามไม่ให้หามเดินขึ้นมาเลย เป็นนิสัยทหารในลวกปูปะหาไม่ใช่นิสัยคนธรรมดานิสชยทหารถ้าเป็ น, วนพวกทหารอ่อนแล้วเกี่ยวบกุรอานการแสวงหาถ้าเป็นม่าแล้วเอาอ่านส่หลังแล้วขึ้นทันก็ทันแทนก็ไปขึ้นทันก็ทันแทนก็ไปถ้าติดไฟรถแล้วขึ้นทันก็ทันไม่ขึ้นก็ตึงเลยปิประตูไฟเลย นิสายอย่างนนสัยแล้วกลุ่มแจ ก, กันเก่กว่านี้เนอะที่พวกที่ท่านทั้งหลายเป็น้อยู่ที่วัดบรรจากเนี่ยท่านประพฤติเอาใจลูกสิที่สุดย้อนที่สุดไปเที่ยวได้กันรับพายมาเดินปุงขึ้นคุ้งเก่งอย่างบาทของท่านลูกหนึ่งของเราลูกนมาปึึงปึงป ง, ปงมาดึงเลยไปเออไปก่อนเลยนิสไปอย่าง แต่ไม่ไตาคนเก่งอยู่เอนท้ไ อ, ไอ้สายตากลายมีเกณฑ์คนหนึ่งไปฟังท่านเทศลงนอนแล้วก็ไปหาท่านสามกั้งกันนะอะที่นี่ว่าท่านก็เนินทา ก, กาเลเทน่าผมว่าผมจะเข้าหาครูบาอาจารย์เมื่อมาอ่านอันนี้รู้ได้ หมดปัญหาเลยอพ่ อ, อแม่กูเอ๋ยเออหมยปัญหาเลยนวมาอาสนอันนี้เลยมาอันนี้จบแล้วหมดปัญหาเลยยางองเขาบอกว่าดูอวดดีแม่เขาหากรูว่าอาจารย์เนี่ยนั้นอี่านี้ที่นี่อมาอ่านอันนี้เลยแล้วหมดปัญหาเล ย, ดดเาา ย, ย, ย, ยทีนี้อาอาน เ, เ, นเอเอาไปแจกกันสักสองแถวของมันถือเอา แก่คนเยอเนี่ยแกะะ่ค่าผ้าเดียวนี่พูดไปด้วยแกก็ด้วยมันนานๆจึงเข็นกันก็ต้องพูดนานว่าถ้าเราเรามาข่าวนั้นเราไปไหนแหวะอง์ท่านก็บอกว่ามันมาแบบจนๆเตะๆทีนี่เขาก็้ามาหิห้วเราไปด้วยเขามาจู่วเราไปนะฮาต้องกเทนต้องไว้เตรียมตัวอะไร ไม่ได้่ยนึกว่าจะไปพระองค์ท่านพระแม่จูจูไปท่านอาจารย์เหรียญหลวงปู่มหาจะไป3ามครั้งนะแต่จากกันมาแต่เขา่าหลวงปู่มั่นบรรอาภาท่านอาจารย์แหรีก็เนี่ถึงพระคุณของท่านอยู่ถ้าเราไปพักอยู่ ตาวสองวันสุดท้ายก้าที่สามอง์ท่านก็ให้ขึ้นเรือไปวัดเขาหน่อยท่าเฉลี่ไปพักอยู่ที่วัดชายงามแล้วก็ไม่่อยลืมเนอะไม่ลืมไม่ง่ายใครทำคุณไว้ขนาดไหนไม่ลืมเลย น่ผ้าเนี่ยเอามาห่อกระดูกให้ทีแรกก็ตื่นต้อใจมากทีนเอามาเอามาเลยได้ประโยชน์พุ้มค่าเนี่ยหรือว่าค่าเลยนี่ฝนตกลงมามไม่มันต้องแคบเลยทีนี้ดึงผ้าลงมาแล้วก็สบายไม่ได้เแ็ดเลยได้คุ้มค่าและประโยชน์ออแเราคึกว่า จะแบ่งให้วัดนั่าบ้างวัดนี้บ้างเออเดี๋ยวนี่ใครมาขอแบ่งก็มาให้แค่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้มีเดมาลแล้วมีเดมาลแล้วเดี๋ยวดูมีเดมเพร า, า, าะอันนี้เป็นตัวอย่างมันไม่ขาดครับอันนี้เป็นตัวอย่าง น, นี่เป็นตัวอย่างที่สุดหนิท่านวัดท่านเพียงพอทำงบตั น, นอันนี้เป็นตัวอย่างให้ให้เห็น เราเช็ดถูจะตายแหละกลางค่ำกลาคืนก็มาเช็ดมาถูเพราะเกรงว่าตื่นขึ้นมามันจะขึ้นลาขึ้นอะไรกลางค่ำกลาคืนถ้ามันเปียกเราไม่ยอมให้ตลอดคืนวม่ว่าแต่ฝนไม่หยุดไม่ว่าแต่ไม่ไ ห, ม ย, มหมยุดลมลกลารคืนก็ตามแล้วก็เช็ดถูอันนี้แค่พระ อ, อาการย์แฉนออกมานี่องค์แฉนองแฉงเยอะเไยเนี่ย <laughs> ต้องพินไปทางนู่บ้างพินเอาแต่พวกเราเอาดีแต่พวกเราไม่คิดเห็นเพื่อนบ้างผินไปพินไปพินไปคุณหรัดไปเอ่อพวกพวกเหานี่ในท่ยซาบารมีมากกับการพระอาการแบบมาหลายขาดหลายพนะเออ ออผมได้ทราบข่าวว่ามี่แรลวา่าไปจำพรรษากรุงเทพหรือไม่ไดนไปนะไม่ไดไปนะไปมะเพียงแต้าว่าไปรถประเดียวประดาวไปประเดียวประดาไ ป, ปราพรอษามม่ไดไป ก็มาถามอะ้รไปผมก็เลยว่าจะเป็นกำบ้ายังไงใครจะไปอยู่นั่นผมก็นึกอยู่ไปไปเดี๋ยวไปดาวผมก็บอกว่าจะไปสองงานงานหนึ่งรางเอาขนาดนั้นผมก็แก้ต้นตัวระเบิดเสียงสวนม่อนสวนท่อนเ ส, ส, สียงสะมันเมียบสะมันกัน ปล่อยเวทง้ห้าิ่ตั๊บห้ากิ่ปอเต็มโลกขึ้นล่ะหน้ามันก็มน้ามั้งน้ามูหน้าพูดหลักแล้ววนไหก็มี่จะครบวนไหนก็นี่จะคบนี่จะนอนเนี่จิ้มทังโลกทำอยางงั้นสะพัดเพราเผางถ้ำพท่านตายยัตสอบเงแข็งหมัี่ศาสนาพุทธนีโลกต้องมีศาสนาอื่นมาแข่งนแน่นอนั่นแต่พระสาะบอไป ให้หนิเดินช่วยกันช่วยได้หลงร้านเนี่ยเดินช่นยกันชทวยได้ใครเชื่อคำนะขอตื่นมาอกว่าเขาไปตื่นช่วยช่วยด้วยต่หลังก้อหลังฝาอันนี้มันกับแมาแก็บหลังนแต่มันแต่มันกอหลังปลิกตัวนั้นละคือก้อหลังผลิตเตอร์เบ